ข้อความในข้อความในมัธุธรรฐเวลาศินีอัตถกาถาพุทธวงศนนะต่อจากครั้งที่แล้วตั้งแต่พระโพธิสัตว์ออกบวชตอนนี้พระองค์ออกบวชที่ไหนสถานที่ที่พระองค์บวชจริงๆเลยก็คือที่ริมฝั่งแม่น้าอโนมาหลังจากที่พระโพธิสัตว์นั้นบวชแล้ว มาคันต ก, กาก็ตายแล้วพระช น, นะก็กลับไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่ณประเทศคือสถานที่บริเวณ น, นั้นเนี่ยที่มีสวนมะม่วงชื่อว่าอนุปิยะพระองค์นี้ยับยั้งอยู่ณอนุปิยัมพวันอนุปิยะอัมภวันก็คือสวนมะม่วงที่น่ารื่นรมเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นเจ็ดวันด้วยความสุขในบรรประชา แปลว่าอยู่ด้วยปีติและโสมนัสดีใจมากที่มีความสุขได้อยู่คนเดียวได้อยู่เงียบเงียบนะอย่างน้อยที่สุดก็โล่งใจก่อนได้กายยวิเวกนะมีความสุขในเนคขมมะสุขที่ออกจากอากุศลสุขมาอยู่ด้วยความไม่มีโทษภายหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสํารวมด้วยผ้ากาสาวะอันดีหมายคือว่าปกปิดด้วยผ้ากาสาวะอันดีเหมือนดวงรัชนีกรเต็มดวง สัมรวมหรือปกปิดอยู่ในหมู่เมฆที่อาบด้วยแสงสนธยาแม้ลำพังพระองค์ก็รุ่งเรืองเหมือนชนเป็นอันมากแวดล้อมแล้วพระองค์นั้นทําการบานประชานั้นเหมือนน้ำอำาอมฤตต้องตาเหล่ามฤตและปักสีที่อยู่ในป่าแปลว่าหมูนกหมูเนื้อทั้งหลายต่างก็พากันดูพระโพธิสัตว์น่ยนะพระองค์เที่ยวไปพระองค์เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีเพราะเป็นนราศีหะคือเป็นบุรุษผู้กล้า ถ้าไม่ใช่คนกล้าจริงๆแล้วทําไม่ได้เพราะโดยพื้นฐานปกติแล้วมีทหารมีองครักษ์เนี่ยเต็มไปหมดเลยปกติมีกองอารักขาเนี่เต็มไปหมดบัดนี้พระองค์มาอยู่เพียงพระองค์เดียวอยู่ลําพังพระองค์เดียวในป่าเต็มไปด้วยหมูเสือหมูช้างหมูนกหมูเนื้อเนี่ยนะหมูเรียกว่าป่าเนี่ยงูเงี้ยวเขี้ยวเสือมันก็เยอะอะเปรียบเหมือนควนัน ผู้รู้จักรีลาของช้างตกมันพระองค์ยังแผ่นดินให้เบาด้วยฝ่าเท้าแปลว่าพระองค์เหยียบเนี่ยคนที่มีกำลังจริงๆและเหยียบพื้นไม่หนักเนี่ยนะพระองค์เสด็จเดินทางไป30โยชนโยวันเดียวเท่านั้นกูเดินเร็วมากเดินแกรงมาก3าโยชก็ น, น์ก็3าคูณสิขเข้าไปนนะก็ถือว่าเดินได้ไกลามากเลยนะต่อวันหนึ่งเพราะเรี่ยวแรงของพระองค์สูงมาก วันเดียวเท่านั้นพระองค์ก็ข้ามแม่น้ำํำคงคาซึ่งคลั่งไปด้วยฤดูและคลื่นหมายคือว่าแม่น้ำํำคงคานั้นน้ําก็เย็นแล้วก็คลื่นก็แรงพระองค์ก็ข้ามไปอย่างไม่ติดขัดเสด็จเข้าไปสู่พระนครราชรกึกเป็นเมืองหลวงที่แพร่พราวไปด้วยประกายแสงแห่งรัตนะนะเมืองนั้นเป็นเมืองที่รุ่งเรืองร่ํารวยมากในยุคนั้นครั้นพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วก็เที่ยวสแสวงหาภิกษาตามลําดับตรอก ไปถึงเน่ถ้าเป็นปกติทั่วไปอาจจะส่งสารไปถึงพระเจ้าพิมพิสารว่าเพื่อนเพื่อนเอ่ออาทิตถาสหายเพื่อนที่ไม่เคยเห็นมาแต่พระองค์ก็ไม่ได้ส่งข่าวสารอะไรเที่ยวไปเช่นกับพิสุกรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นโปร่งเที่ยวบินธบาศตามลําดับตรอกทั่วทั้งนครนั้นก็สะเทือนเพราะการเห็นพระรูปของพระโพธิสัตว์เหมือนนครนั้นสะเทือนเรียกว่าบ้านเมืองนี่ เสียงโฆษณาโจดขานกันมากเปรียบเหมือนเมื่อช้างธนาบานเข้าไปเหมือนเทวนครสะเทือนเมื่อจอมอสูรเข้าไปก็บอกว่าเมืองสะเทือนเหมือนช้างเข้าไปหรือว่าเหมือนเทวนครที่จอมอสูรเข้าไปมาเั้นเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จเที่ยวสแสวงหาภิกษาพวกมนุษย์ชาวพระนครเกิดความอัศจรรย์สําหรับผู้เกิดปีติและโสมนัสเพราะเห็นพระรูปของพระมหาศัตว จึงได้มีใจนึกถึงการเห็นพระรูปของพระโพ ธ, ธิสัตว์คือทุกคนเนี่ยมีใจจดจ่อเห็นครั้งเดียวก็จําได้ น, นะนะเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยมหาบุริสลักษณะและอนุพยัญชนะทีนี้กิริยาของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สะสมอัธยาศัยนักบวชมาตลอดอสศงไขเป็นอเนกเนี่ยนะนั่นความที่พระองค์นั้นบวชเข้ามาแล้วก็เลยไม่แปลกก็เช่นกับพระภิกษุที่บวชมาแล้วเป็น 100, ร้อยพันศานั่นแหละ บรรดามนุษย์เหล่านั้นมนุษย์ผู้หนึ่งกล่าวกับมนุษย์ผู้หนึ่งอย่างนี้ว่าท่านเอ๋ยเพราะเหตุไรหนอจันทร์เพนที่มีช่อมีรัศมีที่ถูกภัยคือราหูกำบังแล้วยังมาสู่มนุษย์โลกได้เ้าก็นึกว่าโอ้เหมือนพระจันทเท พ, พบุตรลงมาเลยแหละอีกคนหนึ่งก็บอกยิ้มพูดว่านี่พูดอะไรการสหายท่านเคยเห็นจันทรเพนมาสู่มนุษย์โลกกันเมื่อไรนั่นกามเทพมีดอกไม้เป็นธงไม่ใช่หรือนึกว่ากามเทพมาเที่ยวแปลงสอนอะไรตรงไหนนะ เพราะว่าท่านถือเพศอื่นเห็นความเจริญลีลาอย่างยิ่งของพร ะ, ะมหาราชของพวกเราและชาวเมืองก็เสด็จมาเล่นด้วยบ้านเมืองเราสงบร่มเย็นเป็นบ้านเมืองที่สุขสบายเพรา ะ, ะ น, นกามเทียบเขาเลยมาอยากมาเที่ยวด้วยเหมอนไอคนอื่นเอกนั้นก็ยิ้มแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าท่านเออท่านบ้ากันนะเรื่องไงนั่นพระอินผู้มีสรีระร้อนเรืองด้วยความโหมของเพลิงยันอันเรืองแรงเป็นพระองค์นั้นเป็นเท้าสหัสสนสยคือพระอินเนี่ยนะ เป็นเจ้าแห่งเทวดาท่านมาที่นี่ด้วยสําคัญว่าอมราปุระท่านหลงเมืองมาว่างั้นพระอินหลงเมืองหลงเมืองก็นึกว่าที่นี่เป็นเมืองเทวดาคนนั้นก็บอกว่าหัวเราะนิดหน่อยเสร็จแล้วก็บอกท่านเอ้ยท่านพูดอะไรกันท่านนิ้ผิดทั้งคําต้นและคําหลังท่านผู้นั้นมีพันตาที่ไหนมีวัชราวุธที่ไหนมีช้างเอราวัณที่ไหนที่แท้ท่านผู้นั้นเป็นพรหมโอ้ันนี้ยกไปเนยยกไปถึงพรหมเลยแหละ ท่านรู้ว่าคนที่เป็นพราหมณ์เนี่ยประมาทก็เลยมากันเพื่อประกอบเอาไว้ในพระเวทในเวททางเป็นต้นต่างหากเราในพวกนี้นับถือศาสนาพราหมณ์มากคลั่งพราหมณ์มากเพราะฉะนั้นเห็นใครงามขนาดนี้พรหมมาแล้วพรหม ม, มมาแล้วเนี่ยนะมาช่วยตัเกเตือนแนะนาสังสอนคนอื่นที่เป็นบัณฑิตก็ปรามคนเหล่านั้นทั้งหมดพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นไม่ใช่พระจันรเพนไม่ใช่กามาเทศม่ใช่ไม่ใช่เท้าศาสนาคือพระอินทร์ไม่ใช่พระพรหมทั้งนั้น ท่านผู้นี้เป็นอัจฉริยะมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์อัศจรรย์เป็นบุรุษอ่เป็นมนุษย์ที่ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นท่านผู้นี้แหละจะเป็นาศาสดาผู้นำของโลกทั้งปวง แ, แสดงว่าคนนี้อาจจะจบคำพิมพ์มหาปริศลักษณะมองเห็นก็รู้เลยเมื่อชาวนครเจรจากันอยู่อย่างนี้พวกราชบุรุษก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้าพิมพิสารว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพ เทพคนทันหรือย ะ, อะนาคราชยักษ์หรือใครเนาะเที่ยวแสวงหาพิษารในพระนครของเราไม่รู้ว่าใครกันแน่เนี่ยนะพระราชาเมื่อสดับเรื่องนั้นแล้วก็ยืนอยู่ณปราสาทชั้นบนเห็นพระมหาบุรุษก็เกิดความคิดที่อัศจรรย์นในใจขึ้นว่าไม่เคยมีเรียกว่าหน้าอัศจรรย์จริงเนอะไม่เคยมีพระองค์ก็สั่งพวกราชบุตรว่าพวกท่านจงไปทดสอบท่านผู้นั้นถ้าเป็นอมนุษย์ ก็ออกจากนกครแล้วก็หายตัวไปเลยถ้าเป็นเทวดาก็จะเหาะไปทางอากาศถ้าเป็นนาคราชก็จะมุดดินถ้าเป็นมนุษย์ก็จะบริโภคเพีกษาตามที่ได้มาเพราะท่านมาสแสวงหาอาหารก็ถ้าท่านบริโภคอาหารสวยอาหารก็แปลว่าท่านเป็นมนุษย์ทั่วไปฝ่ายพระมหาบุรุษนั้นมีอินทรีย์สงบมีพระหฤทัยสงบเป็นประหนึ่งดึงดูดสายตามมหาชนเพราะความงามแห่งพระรูปก็อย่างว่าสรีระ ของพระองค์นั้นแต่ละอย่างเนี่ยสะตะปุญญลักษณโนผู้สั่งสมบุญมานับร้อยหมายคือว่าถ้าพวกเราทําบุญร้อยหนึ่งพระมหาบุรุษท่านก็ทําบุญเช่นกับเราเนี่ยคูณร้อยเท่าถ้าหมูสัตว์ทําบุญเท่าไหร่นะพระองค์ทําบุญคูณเกินหมูสัตว์ร้อยเท่าหมดเลยก็เลยเรียกว่าสะตะปุญญลักษณโนผู้สั่งสมบุญไว้มากผู้มีบุญมากเลยน ะ, นะมนุษย์และเทวดาทั่วไปยากที่จะเปรียบได้ พันร่างกายของพระองค์จึงงดงามร่างกายของพระองค์จึงเป็นที่รวมแห่งผลบุญทั้งหลายพระมหาบุุษนั้นทรงแลชั่วแอกร้วบรวมอาหารที่ละคนกันพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้พระองค์ก็เสด็จออกจากพระนครทางประตูที่เสด็จเข้ามาบ่ายพระพักไปทางตะวันออกแห่งร่มเงาภูเขาบรรดวะประทับนั่งพิจารณาอาหารไม่มีอาการผิดปกติเสวย จากนั้นพวกราชบุรุษก็เข้าไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาเป็นที่จริงแล้วถ้าใน อ, อัตตะถาสุตตานิบาตก็กล่าวถึงว่าพระมหาบุรุษนี่พอเห็นอาหารเท่านั้นเลยนะคือไม่เคยเสเวยอาหารเช่นนี้มาก่อนเลยเนะี่ยลํำสะก็เรียกว่ามันแทบอาเจียนไส้แทบจะวิ่งออกมาข้างนอกพวกนันแต่สารททั้งก็พิจารณาว่าไม่ได้บวชเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นต้นแล้วก็นั่งเสเวยอาหารเหล่านั้นได้ พวกราชบุตก็กลับไปกราบไปกราบทูลให้พระราชาทราบทุกประการครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตพนาว่าพิมพ์พิสารผู้อันเหล่าภารชนนึกถึงได้ยากก็คือแสดงว่าพระองค์นี้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มากเลยพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีเขาพระเมรุและนันทมาระเป็นสาระพระองค์ผู้ทรงเป็นแก่นสารแห่งสพรพพสัตเรยอว่าพิมพิโดยแปลว่าแปลว่าทองอะนะ ผู้เป็นสาระแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมีผิวพันธุ์ประดุจทองพระราชาพระองค์นั้นทรงมีความตื่นเต้นเพราะการเห็นก็ได้เห็นรูปแล้วละ่ะแล้วก็ที่เกิดเพราะได้สดับคุณของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นทำได้ยังไงนะบุรุษเช่นนี้มาเดินบินทบาทสเวสเวยอาหารบริโภคอาหารเช่นนี้หน้าแปลกหน้าอาศาัศจรรย์พระองค์ก็รีบเสด็จออกจากพระนครบ่ายพระพักตรงภูเขาปันตวะ พระองค์ก็เสด็จไปลงจากพระราชยานเสด็จไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์อันพระโพธิสัตว์ทรงอนุญาตแล้วประทับนั่งเหนือพื้นศิลาอันเย็นด้วยความรักของชนผู้เป็นพวก พ, อพ้องพระองค์ในเลื่อมใสในอิริยาบถของพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ได้รับปฏิสันถานคือการสนทนาทักทายปราศัยกันพระเจ้าพิมพ์พิสานก็ถามถึงพระนามและโคดทรงมอบความเป็นใหญ่ทุกอย่างแด่พระโพธิสัตว์ ก็คือสอบถามรู้กันว่าเป็นอธิษฐานสหายก็บอกว่าใช่ใครที่ไหนแบ่งเมืองเป็นสอง ส, องส่วนก็นแล้วกันนะก็กมอบความเป็นใหญ่ให้พระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าข้าแต่มหาราชม่อมชั้นไม่ประสงค์ด้วยวัตถุกรรมหรือด้วยกิเลสกรรมม่อมชั้นปรารถนาแต่ปรมาภิสัมโพธิญาณจึงออกบวชคือที่ออกบวชเนี่ยต้องการโพธิญาณคือมัคคายนารหัตมาอารหัตมัคานเป็นที่ตั้งแห่ง สัพพัญยุตยานเป็นต้นซึ่งเป็นยานที่ประเสริฐสูงสุดหม่อมฉันจึงออกบวชเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ต้องการอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่รื่นรมแห่งใจเหมือนกับประมาภิสัมโพธิยานฉันต้องการอย่างเดียวคือสรพพัญยุตยานนั่นเองพระราชาแม้ทรงอ้อนวอนหลายประการก็ไม่ได้น้ำพระทัยจากพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ไม่เห็นด้วยโดยประการทั้งปวงที่จะครองเรือน พระเจ้าพิมพิสารก็เลยเชื่อมั่นยอมรับว่าท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนคือน้ําใจขนาดนี้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวขนาดนี้บวกทั้งรูปประพันธุ์ทั้งความจริงจังเป็นต้นเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ต้องห่วงก็เลยทูลขอร้องอ้อนวอนว่าถ้าหากว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วโปรดเสด็จมานักแคว้นของหม่อมชันก่อนใะยังไงก็มาโปรดเมืองนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปที่อื่นเลย เสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสานก็กลับเข้าสู่เมืองเมื่อพระนรราชผู้ประเสริฐเสด็จเข้าสู่ราชเครือซึ่งมีเรือนหลวงอย่างประเสริฐพระจอมคีรีผู้ประเสริฐพระจอมมุนีผู้ประเสริฐเสด็จไปอย่างเช่นพยามมรึกเสด็จไปแล้วชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วก็คือว่าแยกทางกันนะนะพระเจ้าพิมพิสารก็กลับเข้าวังพระโพธิสัตว์ก็ไปตามทางของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไปไหนก็จาริกไปตามลําดับเข้าไปยังสํานักของ อาราลดาบทกลามโครและอุทกะดาบทรามบุตรก็ไปเรียนวิชาสมถะวิปัสนาจนสมถะจนได้สมาบัตแปดให้เกิดขึ้นท่านก็เจริญสมถะโดยส่วนเดียวเนี่ยนะตามคำแนะนำของอาลาลดาบทอุทกะดาบทจนสามารถทำสมาบัตแ8ดให้เกิดภายในไม่กี่วันนนะซึ่ง โดยลทัทธิหลักการของอาจารย์นั้นฟังจบก็เข้าใจหมดเลยแล้วก็แนะนําวิธีปฏิบัติอีกสองสามวันก็ทําได้เท่าอาจารย์หมดซึ่งเป็นที่ยกย่องมากเนยนะซึ่งก็บอกว่าแม้แต่คนเอาข้าวของสักการะมาบูชาอาจารย์เหล่านี้ยอาจารย์เหล่านี้จะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อให้แก่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะซึ่งพระองค์หลังจากที่สอบสวนศึกษาเล่าเรียนจนจบวิชาของสํานักเหล่านี้ทั้งหมดแล้วพระองค์ก็คิดขึ้นว่า นี่ไม่ใช่ทางแห่งพระโพธิญาณนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์มาหานี่เพราะสิ่งเหล่านี้พระองค์บอกว่าเพียงเข้าสู่อรูปภพคือเข้าสู่ชั้นชั้นไหนอากินจัญญายตนะภพและเนวสัญญาณาสัญญายตนะภพเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเลยทางนี้ไม่ใช่สิ่งที่นำออกจากทุกที่แท้จริง พระองค์ก็ไม่ใส่ใจถึงสมาบัติภาวนานั้นพระองค์ไม่สนใจเลยว่าเ อ, อวิธีเนี้ยมันช่วยพ้นทุกข์จริงก็ถือว่าปฏิเสธแล้วว่าวิธีที่แนะนําจนถึงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะไม่ใช่วิธีที่นําออกจากทุกได้จริงพระองค์ก็เลยมาค้นคว้าวิจัยความตั้งความเพียรในตามแนวทางที่พระองค์คิดว่าควรจะเป็นก็ถือตั้งความเพียรเจริญอะไร เจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาคือพระองค์มาเน้นอบรมอินทรีทั้ง5แต่ถ้าในลัทธิของอาจจรอาราละดาบทอุตกาดาบทเน้นคือเน้นสมถะเน้นสมาธิแต่พระองค์ก็มาเน้นความสมดุลแห่งอินทรียทั้ง5้าทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยทีนี้การที่จะบำเพ็ญเพียรก็ต้องคิดว่าสถานที่ไหนหนาะส ป, ปายะเหมาะที่จะ บาเพ็ญเพียรพระองค์ก็เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาพระองค์ก็ดําริว่าภูมิภาคนี้น่าเรื่อนรมจริงหนอนะบริเวณแถวแถวไม่ไกลาจากที่ตรัสรู้เท่าไหร่เนี่ยนะตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยพระองค์ก็เข้าไปอยู่ณตําบล น, นั้นพระองค์ตั้งความเพียรยิ่งใหญ่ฝ่ายชนทั้งหคือบุตรของพราหมณ์ผู้ทำนายมหาปริศลักษณะสี่คนและพราหมณ์ชื่อว่าโกนธัญะก็บวชคอยอยู่ก่อน ท่านเราเนี่ยพอได้ข่าวว่าบวชก็ติดตามมาเลยนะติดตามมาก็มาคอยอยู่บริเวณนั้นแหละเที่ยวภิกษุอาจารย์ไปตามคามนิคมราชธานีบำรุงพระโพธิสัตว์อยู่ณที่นั้นทั้ง5เนี่ยไม่ได้ไปทําทุกระกิริยาอะไรหรอกบิณฑบาตชั้นแต่คอยดูแลรับใช้ไปเนี่ยนะฝ่ายแผนกทดลองวิจัยอดข้าวอดน้ําจะทํายังไงก็ตามใจกันล้กันเดี๋ยวจะคอยบำรงปัดกวาดเช็ดถูที่พักที่อยู่ให้นะซักผ้าซักผ่อนให้ ที่เหลือก็ท่านทําของท่านก็นแล้วกันบรรลุแล้วค่อยบอกแล้วกันอย่าง น, นัครั้งนั้นเมื่อพาการบํารุงพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งความเพียรอย่างยิ่งใหญ่อยู่ถึง6ปีด้วยวัดปฏิบัติมีการปัดกวาดบริเวณเป็นต้นเนี่ยนะปัดกวาดดูแลเรื่องเรื่องห้องน้ําเรื่องที่อยู่ที่พักเรื่องอะไรทั้งหลายมีความหวังอยู่ว่าพระโพธิสัตว์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้เดี๋ยวก็เป็นพระพุทธเจ้า ท่านทรมานขนาดนี้นะท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วจะได้เป็นอยู่แล้วงนเคสอย่างเงี้นนะยทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันไปก็หกปีก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นก็อยู่ประจําในสํานักของพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์นั้นยับยั้งอยู่ด้วยงาและข้าวสารเมล็ดเดียวคือหลังจากที่พระองค์ทำความเพียรก็เริ่มลดอาหารมาเรื่อยๆลดมาจนถึงก็เรียกว่าวันละอาหารเท่าข้าวสารเม็ดหนึ่ง แล้วก็ลดลงมาจะเถือเท่ากับ ง, งาอีกเม็ดเดียวในที่สุดตัดอาหารส่วนเดียวทีนี้ตัดอาหารก็ไม่ใช่ตัดอย่างเดียวในที่สุดก็เจริญฌานแบบไม่ต้องหายใจนั่งกลั้นลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะนั่งกลั้นลมหายใจเนี่ยบางทีปวดศีรษะอย่างรุนแรงลมออกหูเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยพายพ้อมรูปท้องก็ถึงหลังรูปหลังก็ถึงท้องเนี่ยนะดวงตาก็ลึกเข้าไปในเบ้าออียลว่าเหมือนแปลว่าเหมือนดูดวงจันทร์ในบ่อ น, น้ําลึกคข้ากันแล้วก็ รูปตัวปรับคนเนี่หลุดหมดเนี่ยนะเพราะว่าร่างกายไม่ได้รับสารอาหารมันก็พร้อมอุจจาระก็เหมือนกับพวกขี้แพ้อะนะเหมือนชั่วขี้แพ้อย่างนั้นแหละเวลาลุกจะเดินก็ลม้มเกือบจะลม้มจนเทวดาบอกคอยตายแล้วเนี่ยบางทีท่านก็เจริญไปจนล้มแผลแล้วก็เหมือนกับเหมือนแทบจะสลบไปเนี่ยนะเทวดาบางพวกบอกโอ้ oh, ตายแล้วมากเนี่ยบอกยั่งยังเนี่ยมันเป็นสมาบัติของอรหันต์นะเนี่ ย, ยนะเทวดาก็โอ้ oh, คิดไปหลากหลาย สือท่านก็ทําถึงที่สุดท่านก็รู้ว่าถ้าคืนทําต่อจากนี้ตายอย่างเดียวในส่วนของร่างกายนะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือความที่สมัยนั้นเนี่ยเขาเขาเชื่อว่าการที่จะบรรลุถึงคุณธรรมอันสูงสุดจะต้องทําให้มันเหนื่อยที่สุดทุกที่สุดเพราะเขามีลัทธิว่าบุคคลจะเข้าถึงความสุขก็ต้องด้วยความทุกข์หมายคำ ว, ว่าทุกข์เสียก่อนแล้วค่อยสุขใน ภายหลังพระโพธิสัตว์ก็เลยมีความเชื่อที่เสียดีนี้ด้วยอันนั้นก็ด้วยกรรมของพระองค์นั่นแหละเป็นปัจจัยที่เคยไปตําหนิพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนว่าโพธิญาณพระองค์ได้โดยยากนะเขาไปบอกโอ้ยากกันนะตัวเองเลยยากเลยกันเนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้ากัสสะเจวันเองก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปบอกว่าพระองค์ยากตัวเองก็เลย6กปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวาจานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากพระโพธิสัตว์ก็เลย ทำทุกขะกิริยาทำด้วยความยากลําบากแต่ถึงอย่างนั้นท่านไม่ได้เข้าใจผิดในข้อปฏิบัติเลยในเรื่องอาจารย์เจริญเนี่ยนะการวิจัยอาศาัศธาอาทีนวะนิสรณะของมหาพุทธรูปสี่หรือของท่าสี่ของอุปาทานขันห้าของอินทรีย์วิจัยเหตุเกิดความดับอาาัสธาอาทีนวะอุปาทานขันห้าท่านรอบรู้ท่านพิจารณาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรเลยท่านพิจารณาอย่าง ละเอียดรอบครอบทุกอย่างแต่ว่าอาหารไม่สัปพายะและอิริยาบถไม่สัปพายะนั่นเองและท่านไม่ค่อยเน้นในเรื่องของสมาธิเท่าไหร่เนี่ยนะอินทรีย์ก็เลยไม่เรียกว่าอินทรีย์ห้าไม่ไม่ครบถ้วนนั่นเองหลังจากที่พระองค์เนี่ยนะทำทุกกระรยกกระกิริยาจนเรียกว่าไม่มีเขาของคนเดิมอยู่เลยคือพรอมในที่สุดพระองค์ก็คิดว่านี่ไม่ใช่ทางแห่งพระโพธิญาณ นี่ไม่ใช่ทางแห่งความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้นี่ไม่ใช่ทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์ก็ระลึกถึงว่าเ อ, อานาปานสติเป็นบาตแห่งการเจริญสมถวิปัสนาเนี่ยนะานาปานสติอันนั้นเนี่ยคงเป็นพื้นฐานอุปนิสัยสําคัญให้ตรัสรู้ได้แน่นอนพระองค์ก็เลยบอกว่าเออการเจริญอานาปานสติทัทง้ทงทั้ที่ยังอดอยากทาั้งทั้ที่หิวแบบนี้คงยากพระองค์ก็เลยทําไง ก็เลยบอกว่าเราต้องกลับไปบริโภคอาหารหยาบเนี่ยนะจะได้มีเรี่ยวแรงแล้วก็จะได้เจริญอาณาปานสติได้เสร็จแล้วพระองค์ก็ไปเสวยอาหารหยาบเสด็จเข้าไปบิณฑบาตณขามนิคมทั้งหลายเสวยพระกยาหารหยาบลําดับนั้นมหาปรุศลักษณะ32ก็กลับเป็นปกติผ่าวรากายของพระองค์ก็สีเหมือนกับสีทองก็บอกว่าร่างกายอันเนี้ยไม่ที่ท่านสุดโทมนั้นอะซุดโทมเพราะขาดอาหาร เมื่อได้อาหารบำรุงก็กลับคืนสู่ภาวะปกติไม่ใช่ว่าอายุมากเข้าไปแลว้วทาอย่างนี้คืนอันนี้ไม่คืนแต่ถ้าสำหรับพระโพธิสัตว์ที่กลับคืนเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวัยชาราเพราะอายุตอนนี้ก็ประมาณสัก34ปี35ปีเท่านั้นนั่นเองเสร็จแล้วก็ขณะนั้นฝ่ายพิสุ ป, ปัญจวักขีนี่นะเห็นพระโพธิสัตว์กลับมาบริบูรณ์เหมือนเดิม ก็เลยคิดว่าท่านผู้นี้ทําทุกรกิริยาทำด้วยความทุกยากลําบากมา6ปีก็ไม่สามารถแทงตลอดพระสัพพัญญุตยานคือแทงตลอดอสสาธารนญานหไม่สามารถแทงตลอดพุทธคุณได้มาบัดนี้ยังเที่ยวบินทบาตไปในคามนิคมราชธานีทั้งหลายบริโภคอาหารอยากเขาจะได้เป็นจกเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรบอกเป็นไปไม่ได้ขนาดทําเดือดร้อนให้อย่างบรรลุไม่ได้แล้วกลับมาฉันอาหารแบบนี้บรรลุได้ยังไง เพราะฉะนั้นท่านผู้นี้มักมากคลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากประโยชน์อะไรของเราด้วยท่านผู้นี้ไม่ต้องอุปถากไม่ต้องอุปธรรมไม่ต้องบำรุงแล้วเนี่ยนะกลับมามักมากแล้วไม่เอาแล้วหมดศรัทธาวางกันบอกลาอาจารยนะ์นคือไปแบบไม่ลาเลยนะก็ล ะ, ล, ะละพระมหาบุรุษไปยังป่าอิสิปัตนะมรกทายาวันะเราไปไปตามทางของเราดีกว่าเนี่ยนะนะเพราะยังไงเดินตามผู้นี้ทํำท่าไม่ปลอดภัยแน่ ไปตามทางของเราเถอะการที่พระปัญจวัคคีย์ออกจากสำนักของพระโพธิสัตว์ด้วยเหตุผลอันนี้เหตุผลเฉพาะหน้าแต่จริงๆนั้นเป็นปกติธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องอยู่ลําพังเพียงพระองค์เดียวอันนี้เป็นปกติของพระพธระโพธิสัตว์ทั้งหลายชาติสุดท้ายสมัยนั้นวันวิสาขบุรมี ที่จริงคืนก่อนหน้าเนี่ยคืนคืนก่อ น, น, น, นคืนวิสาขะวัน14บ่ค่ำเนี่ยพระองค์ก็ฝันมาแล้วล่ะฝันนะนะมาหาสุบินนิมิต5ประการของพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็เช้ามาก็พยากรณ์ฝันแล้วว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าณ ว, วันนี้นี่แหละมันเช้าวันวิสาขะบุรมีพระพระมหาบุรุษก็เสวยข้าวมัทุปายาซึ่งเทวดาสายทิพโอชะอันยิ่งวัยรุ่นชื่อวสุชาดาผู้บังเกิดครอบครอง ผู้เกิดในครอบครัวของเสนานีกุดุมพีตำบลอุรุเวลาเสนานิคมถวายแล้วพระองค์ก็ถือถาดทองเนี่ยนะาวางลงสู่กระแสแ ม, ม่น้ำเนรัญชราก็คือหลังจากที่สเสวยเสร็จพระองค์ก็เอาถาดเนี่ยไปลอยถาดใช่ไหมโยมคนหนึ่งก็บอกว่าร่อนถาดมันันไม่ใช่นะของลอยและถาดลอยไปน่นะ คือถาดนั้นตกลงไปก็เหมือนกับว่าไปปลุกพญานาคกาลราขราชผู้หลับแล้วให้ตื่นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพักกลางวันณนะสารวันซึ่งประดับไปด้วยดอกไม้หอมมีแสงสีเขียวหน้ารื่นรมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญช า, าเวลาเยน็นพระโพธิสัตว์ก็พอถึงเวลาเยน็นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เสด็จมุ่งไปยังต้นโพเพกตามทางที่เทวดาทั้งหลาย ประดับตกแต่งเอาไว้ก็คือนะอย่างที่นายพุทธวงบอกว่าพระองค์เสด็จ ด, ดำเนินไปตามทางอันดีที่เขาตกแต่งไว้แล้วทางอันนี้หมายถึงทเทวดาแต่งให้ทเทวดาน้ายักษ์ศิทธาเป็นต้นพากันบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลสมัยนั้นคนหายา่าชื่อวโสทียะถือหญ้าเดินสวนทางมา หรืออาการของพระมหาบุรุษก็ถวายหญ้า8ดกัมพระโพธิสัตว์รับเอาย่านั้นแล้วก็เข้าไปยังโคนโรพพฤกชื่อวต้นอัสธะซึ่งเป็นวิชัยพฤกวิชัยแปลว่าชนะเนี่ยนะเป็นต้นไม้เป็นที่ตั้งแห่งชัยชนะอันรุ่งโรดกว่าหมู่ต้นไม้ทั้งหลายในบริเวณนั้นต้นโพต้นนั้นรื่นรมที่สุดเนี่ยนะคล้ายอัญชนะคีรีสีเขียวรามประหนึ่งช่วยบรรเทาแสงธินกรมีร่มเ ง, งาเย็น นะมีร่มเงาที่เย็นมากเพราะว่าถ้าใครเข้าไปพักยามเที่ยงวันเน่นะเป็นต้นไม้ต้นโพต้นทรเนี่ยนั่งตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างเย็นนนะถ้าเทียบกับต้นไม้อื่นๆและต้นต้นโพต้นทรเนี่ยเย็นมากพระองค์ก็ประทับนั่งและพระองค์ก็นั่งเยือกเย็นด้วยพระ ก, กรุณาเหมือนหาฤทัยของพระองค์ใจของพระพุทธเจ้าก็ดำรงอยู่ด้วยกรุณาอของพระโพธิสัตว์นะ ท่านบอกว่าบริเวณนั้นเว้นจากการชุมนุมของวิเะหกนกนานาะชนิดนกไม่ไม่ปกติแล้วนกเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่ต้นโพต้นทรายเนี่ย น, นะขณะนั้นไม่มีนกประชุมอยู่เลยต้นไม้ต้นโพเนี่ยประดับด้วยกิ่งอันหนาะทึบต้องลมอ่อนๆโชยมาประหนึ่งฟ้อนรำดุดยินดีด้วยปีติ แต่แม่ต้นโพกระทบกิ่งโพกระทบลมเนี่ยนะถ้าใครที่กลัวผีหน่อยเนี่ยโอ๊ยรีบไปก่อนเลยนะเสียงเย็นเนี่ยนะกร ะ, กระทบดังแง่ง่โอ้ยเสียงเย็น น, ยนะนะของมาบวชใหม่ๆเนี่ยแถวที่ไม่ค่อยไปใกล้เลยก็คือแถวต้นโพแล้วคนก็ชอบเอากระดูปไปไหว้โคนต้นโพด้วยเนี่ยนะโอ้ยน่ากลัวเหมือนกนะันแต่ถ้าต้นโพที่พระพุทธเจ้าเออดีไม่กลัวเหมือนกนะันพระองค์ก็ทําประทักษิณพยาอสัตวพฤกคือต้นต้นไม้ต้นโพเนี่ยนะ ที่เป็นหัวหน้าของต้นโพทั้งปวงประทับยืนด้านทิศอีสานพระองค์ก็จับยอดญ้าเขยา่าทันใดนั้นก็มีบลังสิบสีอกญ้าเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกับคิตรกรวางเอาไว้ก็บอกว่าญ้าที่มาวางเรียงกันเหมือนแปลงทาสีเขาบอกงั้นงามมากพระโพธิสัตว์ก็ประทับนั่งขัดสมาที่เนื้อสันทัดญ่าสูง14ศอกพระองค์อธิษฐานความเพียรอันประกอบด้วยองค์สี่ อธิษฐานว่าร่างกายเนี่ยนะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหิดแห้งไปถ้าหาว่าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ลุกแล้วว่างั้นโปรงก็ทาลำต้นโพพรึกเนี่ยนะต้นนั้นเนี่ยสูงห้าสิบศอกเอาไว้เบื้องหลังดังลำต้นเงินที่เขาวางไว้เนื้อต่างทองกั้นด้วยกิ่งโพพรึกเหมือนฉัดมณีเอาไว้เบื้องบนประทับนั่ง ก็ยอดอ่อนโพรพฤกล่วงเอ่อร่วงลงมาที่จีวรสีทองของพระองค์ก็รุ่งโรดเหมือนเหมือนวางแก้วประพานไว้ที่แผ่นทองเมื่อพระโพธิสัตว์ประทับนั่งณนะโพธิบัลลังนั้นวาสวรดีมารเทพบุตร น, นะนะก็คือคนองค์เดียวกันที่มาห้ามวันออกบวชนะว่าคิดว่าสิทธัตถะกุมารประสงค์จะล่วงวิสัยของเราบัดนี้เราจะไม่ให้สิทธัตถะกุมาร น, นั้นล่วงวิสัยของเรา จึงบอกความข้อนั้นแกะ ก, กองกำลังมารนะนะก็เรียกเรียกลูกน้องเลยนะแหมตัวเองก็ไปห้ามมาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ฟังความกันเลยจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมารเขาก็เคยเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นะตอนที่พระองค์เนี่ยพร้อมกระรองนั่นแหละมารก็บอกไปถึงก็บอกเลยเนี่ยท่านนะถ้าท่านยังทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยท่านตายแน่นอนพันส่วนเหตุที่ทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีส่วนเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ย เหตุให้ท่านตายมีตั้งพันอยา่างวันเหตุที่ท่านเหตุที่ทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านจงเลิกทำความเพียนแบบนี้เถอะกลับไปบริโภค อ, อ, อาหารท่านจะได้ทําบุญนะท่านก็จะได้ทําบุญนะนะไปบูชาไฟเถอะไปทำอะไรเถอะก็ไปขอร้องพระโพธิสัตว์ให้เลิกพระองค์ก็บอกโอ้ยร่าง ก, กายของเราถึงจะเป็นอย่างนี้นะแต่ใจของเรานี้ก็ผ่องใสเหลือประมาณยิ่งผ่องใสยิ่งผ่องใสประั้น นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยกล่าวถึงข้อปฏิบัติที่พระองค์ทําให้แก่มารฟังมารก็จักไปนีพย า, ยามารเขาก็ติดตามมารังความอยู่หลายครั้งเนี่ยนะก็คือเป็นแผนกอะไรนะค้านอย่างเดียวเลิกเถอะยาเลยไม่ต้องรออะไรงี้ยนะอยู่อย่างนั้นในที่สุดพระโ พ, พ, พ, พธิสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เรียกว่าไม่เวียนกลับหรือเป็นพวกที่ไม่ถอยหลังกลับเป็นธรรมดาอันนี้เป็นปกติของ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือคือไม่ถอยหลังกลับเพราะฉะนั้นพญามารก็ติดตามมานานนั้นจริงก็ติดตามมา6ปีเต็มแล้วละ่ะปีที่6ก็ติดตามมาเอกศิทธะกูมาเนี่ยประสงค์จะล่วงวิสัยเราก็เลยไปพาบริวารมาเลยพากองกําลังมารออกมาได้ยินว่ากองทัพมารเนี่ยนะข้างหน้าของมารก็ขนาด12โยต์ซ้ายขวาข้างหลังก็เหมือนกันก็คือเขาอยู่ตรงกลางนะรัศมีแผ่ออกไปเป็นร้อยกิโลเนี่ยนะก็ไปขนมาไม่รู้อีจกจักรวาลลนะ ตั้งอยู่สุดจักรวาลเบื้องสูง9โยตได้ยินเสียงคำรามดังเสียงแผ่นดินคำรามเนี่ยนะตั้งแต่ 9,000 โยตสมัยนั้นเท้าสะกะเทวราชยืนเป่าสังเชื่อ ว, วิชยุตระเขาว่าสังนั้นนะยาว 2,000 ศอกคนทันเทพบุตรชื่อว่าปัญจสิกขาถือผินสีเหลืองดังผลมะตูมยาว3ขาวุธบะเลงยืนขับร้องเพลงประกอบด้วยมงคลเทา้าสยามเทวราช น, นะทรงทิพ จามออันมีสิริดังดวงจันทร์ยามฤดูศาสตร์ยาวสามขาวุฒยืนถวายงานพัดลมอ่อนๆเ น, นี่ยนะพัดเกิดพัดให้มีลมอ่อนๆถวายพระผูธธ้ที่สัตว์นะนะเท้าสามบดีพรหมก็ยืนกลางก้นฉัดเหมือนดวงจันร์ดวงที่สองกว้างสามโยดไว้เบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระมหากาลนาคราชนาคราดองที่ลอยถาดน่ะนะอง์ที่ถาดไปกระทบนั่นแหละ อันนาคฝ่ายฟ้อนรำา8 0หมืนแวดล้อมร่ายคาถาสดุดีนับร้อยยืนนมัสการพระโพธิสัตว์เทวดาในหมื่นจักรวาลบูชาด้วยพวงดอกไม้ของหอมและก็จุนทูกเป็นต้นพากันยืนถวายสาทุกการพวกที่จะอนุโมทนานะสาทุขอให้บรรลุขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอวยชยัยให้พรจะได้ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัตทุกข